ขอพี่น้องอ่านสดุดีบทที่139นะครับข้อ13ถึงข้อที่15สดุดีบทที่139ข้อ13ถึงข้อ15ไม่ทราบบนจอเห็นไหมครับเห็นไม่เห็นครับไม่เห็นดีมาก <c oughs> ผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าบง พระองค์ทรงทอข้าบงเข้าด้วยกันในคันมันดาของข้าบงข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์พราะพระองค์ทรงกระทําให้ข้าบงแปลกประหลาดอย่างน่ากลัวพระราชกิจของพระอัศจรรย์พระองค์ทรงทราบข้าบงดีเมื่อข้าบงถูกสร้างในที่รับลี้ประดิษฐ์ขึ้นมานภายในที่ดึกแห่งโลกโครงร่างของข้าบงไม่ได้ปิดบังไว้จากองค์สดุดีบทที่หนึเเนี่ยเขียนโดยกษัตริย์ดาวิดดาวิดเนี่ย บรรยายว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ปั้นท่านสร้างท่านเหมือนกับทาโกที่อยู่ในครันของอะไรครับมันดานะครับก็คือพระเจ้าเนี่ยทรงปั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยแล้วทอมนุษยทุกคนอยู่ในท้องของคุณแม่ก่อนที่ผมจะอธิบายตรงนี้นะครับผมต้องเคลียร์กับพี่น้องเรื่องหนึ่งก่อนมีคําถามหนึ่งที่คริสเตียนจำนวนมากเนี่ยตั้งคาถามให้กับผมก็คืออย่างนี้ครับอาจารย์พระเจ้าของเราเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชาย พระเจ้าของเราเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเพราะในเบื้อบีเนี่ยพระองค์มักจะเปิดเผยว่าคงคือพระบิดาพระบิดาจริงไม่จริงพระองค์ไม่ใช่พระมารดาเป็นพระบิดาดังนั้นพระเจ้าของเราเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงน้องฟ้ามาเลยครับเร็ววาดหน้าผู้ชายพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเรามาดูกันวาดหน้าผู้ชายครับไม่ต้องวาดผม มีหนวดด้วยผู้ชายมีหนวดมีหู ด, ด้วยหูหูหหวัดผู้หญิงทั่งนัมีคนตาด้วยผู้หญิงคนตาคนตาพี่น้องดู น, นะครับนี่คือผู้ชายนี่คืออะไรครับผู้หญิงดูปั๊บก็รู้ปุ๊บเลยว่าคือผู้ชายกับอะไรครับผู้หญิง น้อง้าวาดวิญญาณผู้ชายวิญญาณผู้หญิงวาดวิญญาณของผู้ชายกับวิญญาณของผู้หญิงคุณยังจะวาดได้เหรอคุณไปนั่งเลยไปญญญญผมให้น้องฟ้านะครับวาดหน้าผู้ชายน้องฟ้าวาดได้วาดหน้าผู้หญิงน้องฟ้าก็วาดได้แต่พอจะให้วาดวิญญาณเนี่ยคุณวาดไม่ได้หนละเพราะวิญญาณไม่มีรูปรักษ์วิญญาณไม่รูปรักษ์ในพระคัรรมภีร์ฉบนี้พูดชัดเจนบอกว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามอย่างพระฉายาของพระเจ้าและทรงสร้างให้เป็นชายและเป็นหญิงดังนั้นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างตามอย่างพระฉายาของพระเจ้าความหมายก็คือไม่ใช่เนื้อหนังเข้าใจหรือเปล่าครับคือวิญญาณภายในวิญญาณของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างตามอย่างพระฉายาของพระเจ้าวิญญาณไม่มีรูปรักไม่มีรูปรักดังนั้นเนี่ยคถามที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง คำตอบก็คือพระเจ้าไม่ใช่ทั้งผู้ชายและไม่ใช่ทั้งผู้หญิงเดี๋ยวคุณก็ตอบว่าพูดเป็นกระเทยอีกละไม่ถูกหมายถึงว่าพระองค์อยู่นอกเหนือขอบเขตของ devil, โลกวัตถุมวสารโลกของเนื้อหนังพระองค์มีลักษณะเป็นพรวิญญาณเข้าใจหรือเปล่าครับดังนั้นพระเจ้าไม่มีรูปลักษ์พระองค์อยู่นอกเหนือรูปร่างเนื้อหนังพระเจ้าไม่มีเพศพูดง่ายๆเนื้อแท้พรคงคือวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นี่มาจากการเปิดเผยของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าไม่ใช่ทั้งผู้ชายและไม่ใช่ทั้งผู้หญิง แต่ผู้ชายผู้หญิงถูกสร้างตามอย่างพระชา ย, ยาพระเจ้าคือถูกสร้างให้มีวิญญาณที่เหมือนกับใครเหมือนกับพระเจ้ า, จาดังนั้นเนี่ยมนุษย์ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่สองคนต้องทำพร้อมกันก็คือทําหน้าที่สําเดงพันลักษณะของพระเจ้าออกมาพี่น้องต้องพูดตามผมนะครับผู้ชายสัมเดงความเป็นผูน้นําความเข้มแข็งของพระเจ้ า, ส, จาส่วนผู้หญิงสัมเดงความสุภาพอ่อนโยน ของพวกออกมานั้นคุณเห็นผู้ชายเนี่ยคุณจะเห็นลักษณะของเข้มแข็งผ่านของพระเจ้าผ่านทางผู้ชายผู้ชายจะแสดงมาว่าเข้มแข็งเป็นผู้นําจริงไม่จริ ง, รงคุณไม่เชื่อนะให้ผู้ชายพูดสิ่งที่เป็นผู้นำนะมันจะมีกําลังมากไม่เชื่อน้องฟ้ามาอีกครั้งหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับคุณดูผู้ชายนะเวลาเป็นผู้นําเนี่ยมันมีพาเวอร์คุณดูนะครับพี่น้องคี้จักวัฒน า, นนฒนามันอย่าเพิ่งพูดพี่หน้าม้าเกินไป ดูนะครับผู้ชายเป็นผู้นําไงครับพี่น้องขี่จากรวาลนาเราเป็นคนของพระเจ้าลุกขึ้นมาสู้พูดประโยคนี้ทําท่าด้วยเฮ้ย ท, ทําท่าพี่น้องขี่ จ, จัวาลนาพี่นอ้อยขจวัวาลนาลุกขึ้นมาสู <c oughs> ย้ยืนไว้ยืนไว้ก่อนยืนไว้ก่อนคุณเห็นไหมผู้ชายผู้หญิงอารมณ์ต่าง ก, กันนะ <c oughs> ดังนั้นผู้ชายทําหน้าที่ ของพระเจ้าสแดงคุณลักษณะพระเจ้าในการเป็นผู้อะไครับผู้นำส่วนผู้หญิงเนี่ยสำแดงความอ่อนโยนสุภาพของพระเจ้าคุณดูสิครับคุณให้ผู้ชายโอลูกกับผู้หญิงโอลูกนี่คนเรื่องสมมุติต่อไปน้องฟ้ามีลูกแล้วอุ้มลูกอยู่ในมือเอาโอลูกให้นอนลูกก็เริงร้องไห้โอลูกให้ไม่ให้ลองดิร้องโอ้ไงเออเออเไม่เป็นไรมันยังไม่เคยเีสมบัติโอ้ลูกอย่าร้องให้หยุดร้องโอ้อย่าร้องนะลูกนะเอาหวานหวานหน่อย โอยหวานนิดนึงเรื่องไรโอ้อย่าลองนะคะลูกนะเอ๊หวานไม่หวานคุณดูผู้ชายเวลาโอ้ลูกดิโอ้ลูกอย่าองให้โอ้เด็กมันไนแม่เลยฝันลายเบ่อยลูกจะนั่งหลือบครับเห็นไ่มคุณก็เห็นว่าทำไมครับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าผู้ชายสำแดงความแข็งแกร่ง ผู้หญิงสแสดงความอ่อนโยนและสุภาพของพระองค์นั้นถ้าเอาผู้ชายผู้หญิงมาปรากวดมาคุณก็เห็นภาพพจน์ของใครพระรักษาพระเจ้าทำไมครับชัดเจนยิ่งขึ้นเข้าใจหรือเปล่าครับมีน้องเข้าใจหรือเปล่าที่จริงนะผู้ชายผู้หญิงก็ประกฏอยู่ในต้นไม้ที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยคุณดูต้นไม้ที่พระเจ้าทรงสร้างดูใบไม้ของมันสิครับบางใบใหญ่บางใบทําไมเล็กถ้าโลกนี้มีแต่ใบใหญ่มีผลต่อจิตใจมนุษย์ด้วยมันจะมีแต่ความแข็งกระด้างถ้าใบทุกใบเหมือนใบกล้วยคุณจะรู้สึกยังไง มันแข็งกระด้างเลยแต่มันมีใบเล็กๆที่อ่อนไหวไปตามผิวกระแสลมเห็นไหมมันจะเกิดอะไรครับอารมณ์สุนทรีความอ่อนหวานตามมาด้วยแต่ถ้ามีแต่ใบไม้ที่ผิวไหวตามลมไม่มีใบแข็งมันก็ทํำไมครับยวบยา่าบพวกเปียกเกินไปมันต้องมีความสมดุลดังนั้นผู้ชายผหญิงพระเจ้าออกแบบยอดเยี่ยมมากเพื่อสแสดงพระลักษณะของไก่ของพระเจ้าดังนั้นพระกัมพีเนี่ยที่บอกว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาก็พูดในฐานะของผู้อะไร พูดนําเข้มแข็งเข้าใจหรือเปล่าครับดันั้นจึงเปิดเผยว่าคือพระบิดาแต่หลายครั้งพระก บ, บีก็พูดถึงพระเจ้าเป็นพระมารดาด้วยเป็นเหมือนแม่ไม่ใช่เป็นพระมาดาเป็นเหมือนคุณแม่ก็ะสัตถ์ดาวิดได้พูดอย่างนี้บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยยอมเกรงพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าวิเคราะห์ร่างกายของตนเองดาวิดมองดูร่างกายตัวเองชิ้นส่วนร่างกายตัวเองแล้วพูดว่านี่คือความอัศจรรย์ของพระเจ้าดาวิดพูดในสุดทยวาสามเก้าข้อสิบสามว่าไงครับเพราะพระองค์เนี่ย ทรงทอข้าบงไว้ในคันของใครมารดาตั้งแต่ที่ข้ายังไม่รู้ความเลยผมก็ทอข้าโบงไว้ในคันมารดาเห็นไหมแล้วในของคันมันดาเนี่ยมันเป็นสิ่งอศัศจรรย์จริงๆผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นคำพยาธของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาเชื่อพระเจ้าจากพระบพี ต, ตอนนี้เขาบอกเลยนะบอกว่าเมื่อคนนึงเห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าวินิดวิเคราะห์ความอัพ ร, ร, ระเจ้าเขาต้องปฏิเสธไม่เลยว่าโลกนี้ต้องมีผู้ละ่ะผู้สร้าง พี่น้องครับนักวิทยาศาสตร์ท่นนี้พูดประโยคหนึ่งผมยังใช้บ่อยๆด้วยประโยคนี้ของท่านท่านพูดอย่างนี้ทุกอย่างในโลกที่คุณเห็นมันคือผลงานอันอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่ที่มนุษย์ทําไมมองแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมนุษย์เห็นจนชินจึงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแท้จริงแล้วทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่ทําไมครับอัศจรรย์เป็นผลงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วท่านก็พูดถึงท้องของมาดาท่านบอกเลยนะคุณเอาเทคโนโลยีปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดของโลกเวลานี้ มาสร้างเครื่องจักรที่ทํางานมาท้องของผู้หญิงดิสิทาได้ที่ไหนคุณต้องใช้ธาตุต้องใช้กากอาหารต้องใช้สารอาหารเคมีควบคุมคอมพิวเตอร์ประจุไฟฟ้าแต่ไม่หมดถึงอย่างนั้นคุณก็สร้างอะไรครับเซลล์ชีวิตไม่ได้รูปร่างของเด็กไม่ได้แต่คุณดูท้องของแม่หลังจากที่เขามีสามีแล้วมีการสมสู่กันแล้วเขาเกิดการปฏิสนธิและคุณดูสิครับความอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วถามคุณแม่ที่นี่หลายคนเป็นคุณแม่จริงไหมครับจริงไม่จริงผมถามนั่นหน่อย ตอนที่ท่านเริ่มตั้งคันน่ะท่านกินอะไรเข้าไปในท้องท่า น, านผมบอกให้เดี๋ยวท่านอาจจะไม่ต้องจําไม่ได้ผมมีลื้อฟื้นความจําได้วันที่ท่านเริ่มตั้งคันท่านกินอะไรเข้ไปในท้องรู้ไหมครับผมจะลื้อฟื้นความจําท่านให้หนึ่งท่านกินส้มตำํำข้าวมันไก่กว๋วยเตี๋ยวผลไม้ต่างๆพืชผักใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่บางทีเขกินอะไรปรลา ท่านกินเข้าไปเต็มเลยเต็มเลยท่านเคยแปลกใจไหมพอท่านกินเข้าไปเสร็จพวกอากากอาหารนั้นสารนั้ น, น, นมันสร้างเป็นอะไรครับดวงตาเด็กขนคิ้วเด็กผมเด็กจมูกเด็กริมฝีปากเด็กหัวนมเด็กนิ้วมือเล็บลูกก้นออกมาครบเป๊บเลยอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์ไหมครับ มันอยู่ตรงนี้นี่คือเครื่องจักรแฟกตอรี่อันมหัศจรรย์ของพระเจ้าเพียงแต่มนุษย์เราเห็นทำไมครับเห็นจนชินแล้วจึงคิดว่าเป็นเรื่องอะไรธรรมดาแต่นี่คือความอะไรอัศจรรย์ดาวิดพูดชัดเจนเมื่อข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูชีวิตที่อนทองของแม่ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆเพราะองค์ทรงสร้างเป็นเรื่องลี้ลับนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นปลาลาทำไมกลายเป็นนิ้วมือเด็กได้ จริงไม่จริงอัศจรรย์ไหมเมื่อเช้านี้ผมให้ ค, คุณดูเรื่องแพะหมออาจารย์เทลลี่ซึ่งเลี้ยงแพะว่าย่งไรครับแพะเนี่ยรูปร่างของแพะมันแฟคทอรี่ที่อัศจรรย์มากแพะเวลากินหญ้าเข้าไปมันจะมีกระเพาะอย่างนี้และพอมันทําไมครับกินกเข้าไปเสร็จมันจะขยอ้อนออกมาแล้วทําไมเขียวเอื้องเขียวเอื้องแล้วพอเละเข้าไปเสร็จละเอียดเสร็จเข้าไปในท้องไอ้หญ้าเหล่านั้นมันจะกลายเป็นอะไรครับน้านมมันคือแฟคทอรี่ โรงงานอัศจรรย์ของพระเจ้าในการผลิตน้ำน ม, มแต่ท่านบอกว่าไงมนุษย์เรากินพืชกินผักผลไม้กไ็ไปไปสะสมในท้องกลายเป็นอะไรนะกลายเป็นอะไรครับเนี่ยห ม, มักปุ๊บเป็นอะไรเป็นแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์เป็นน้ำหมักมะเชงอะ่ระ <laughs> รู้จักน้ำหมักมะเชงไหมครับร <laughs> <laughs> ่างกายของมนุษย์ก็แตกต่างกับแพะมันคือแฟคทอรี่นี่คือ อ, อัศจรรย์เลยดาวิดยิมบอกว่าไงเมื่อพระเจ้าพิเคราะ์ สิ่งมีชวิตวิถีทางของแม่ต้องยอมแล้วว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆแต่พี่น้องครับในข้อ14ี่เนี่ยผมไม่เค่อยชอบสมาคมพระคิดทําแปลแต่ฉบับใหม่น่าจะแปลถูกแล้วแปลไม่ถูกต้องตามหลักพระบีไม่ใช่ไม่ถูกครับก็ถูกอยู่แต่มันใช้คําไม่ค่อยเหมาะสมไม่ถูกใจด้วยครับข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์พร ะ, ระองค์ทรงกระทาให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัวพี่น้องพูดตามผมก็แปลกใช้กับผีบผประหลาดใช้กับมาน น่ากลัวใช้กับวิญญาณชั่วคือแปลกประหลาดน่ากลัวเนี่ยเขาไม่ใช้กับพระเจ้าครับเข้าใจหรือเปล่าครับถ้าภาษาจีนยิ่งชัดพูดด่าผมฉี่กล้วยฉีกล้วยใช้กับมานฉีนฉ่เมี้ยวใช้กับพระเจ้ า, นาเนี่ยแปลกเนี่ยใช้กับมานประหลาดใช้กับอะไรครับสาตานวิญญาณชั่วมารเนี่ยน่ากลัวคุณดูลองชี้ไปที่สามสาวนี่สิน่าแปลกน่าประหลาดน่ากลัว มันมีดีที่ไหนล่ะภาษาเดิมไม่ได้แปลงงี้ภาษาเดิมแปลว่าไงรู้ไหมครับดาวิดบอกว่าข้าพระโมทนาพระคุณเพราะพระองค์ทรงปั้นข้าพระองค์อย่างประเสริฐจนข้าพวงค์จำเกลงพระองค์พระองค์ทรงปั้นข้าพองค์อย่างทําไมครับประเสริฐจนเกิดความอะไรจำเกลงพระเจ้าเมื่อคนนึงสั่งพินิจพิจารณาดูความใหญ่พระเจ้าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะเกิดความจำเกรงพระเจ้าและพี่น้องดูข้อสิบห้ครับ เมื่อข้าโค์ถูกสร้างอยู่ในที่รับรีประดิษขึ้นมาได้ภายในที่เรื่องแนดินโลกโค้งล่างของข้าโค์ไม่ปิดปังไว้จากอะไรพระ อ, องค์ความหมายคืออะไรพระเจ้าประทุ่ยกำเนิดพระเจ้าปั้นพระเจ้าทรงรู้ทุกโค้งล่างของเราดังนั้นเป็นการโง่เขามากดาวิดพูดในบริสุทธมาเป็นการโง่เขามากถ้าท่านจะไม่มอบชื่อให้กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเพราะพระองค์ทรงรู้ทุกอะไรครับรทุกอะไรครับชิ้นส่วนในดวงท่านผมเจอคิดเซียนหรือว่าคนไม่เชื่อพระเจ้าหลายคนเวลามีปัญหาชีวิตนะ แปลกใจทําไมต้องไปอ่านตำราเรื่ออื่นอ่านอะไรก็พอนี่นี่คู่คู่มือแก้ปัญหามนุษย์เลยผมไม่ทราบว่าท่านรู้จักคนหนึ่งไหมที่ชื่อว่าเฮนรี่ฟอร์ดเรารู้จักทางไม่ต้องรู้จักส่วนตัวนะครับเรารู้จักทางทางทางทาง g ูเกิลคุณไปเปิดดูเฮนรี่ฟอร์ดนะครับเฮนรี่ฟอร์ดมีคนหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งขับรถฟอร์ด รถฟอร์ดไปเสียอยู่ข้างทางเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาถอดเซอร์โอแล้วก็ฟิกซ่อมซ่อมไอ้รีแพ์เครื่องยนต์เขานั่งซ่อมอยู่ครึ่งชั่วโมงก็แก้ไม่ได้สักเดี๋ยวมีคุณปู่คนหนึ่งขับรถมาคุณปู่คนนี้ทำไมครับจอดรถแล้วมองเด็กหนุ่มนั้นแก้รถอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเอ้ย15หนาทีพอเสร็จปุ๊บคนแก่ก็พูดเลยเฮ้ยพ่อหนุ่มให้ปู่ช่วยไหมปู่ช่วยได้คุณรู้ไหมครับเด็กหนุ่มว่างไง ปู่ไม่ต้องกลัวผมเองปู่ดูเฉยเฉยก็พอเขาซ่อมอีกอีกสินาทีผ่านมาคุณปู่พูดอีกให้ผมดีกว่าให้ผมดีกว่าสุดท้ายเด็กหนุ่มว่าไงเอ้าคุณปู่อยากซ่อมๆใช้หนุ่มคนนั้นปู่คนนะี้ชายแก่นั้นถอดเสื้อ น, นอกเสร็จแล้วเข้าไปฟิกไ ม, ไม่ถึง5นาทีบอกชายหนุ่มบอกว่าสตาร์ทเครื่องดูซิชายหนุ่มสตาร์ตติดพอติดแกวิ่งลงมาเลยนี่เรื่องจริงนะครับคุณไปดู Google ก็ได้ไปดูเลยชายหนุ่มวิ่งมาบอกปู่คนนั้นว่าไงคุณปู่ ผู้อา e ย o u คุณเป็นใครปู่บอกว่าผมคือเฮนรี่ฟอร์ดผมเป็นคนประดิษรถคันนี้ผมรู้ทุกโครงสร้างของอะไรรถคันนี้พี่น้องนี่ก็คือสิ่งที่ดาวิดกาลังบอกพระเจ้าทรงรู้ทุกอะไรครับโครงสร้างชีวิตของเราดีทั้งที่รับที่แจ้งพงรู้ดีว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแต่ปัญหาของเราก็คือไม่ยอมให้พงมาแก้ไขชีวิตมอบชินงสิครับพงแก้ไขได้พี่น้องครับสุดยอดเลยเวลาผมอ่านสดุดีร39นะ ผมจินตนาการเห็นเลยว่าดาวิดก็บเราบอกว่าโลกเราเนี่ยเหมือนอะไรโลกเรานี่เหมือนอะไรครับคันของมานดาไม่ทราบว่ามีพู้หญิงไหนกำลังตั้งคันอยู่ไหมครับขอญาตขอถามวิดหนึ่งมีไหมครับมีแต่พี่วันพี่วันมาแล้วอาจารย์วันมาแล้วอาจารย์วันอาจารย์วันที่กาลังตั้งคันอยู่นะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะครับที่ตั้งคันนะครับเนี่ยตั้งคันไหม อันนี้ตั้งคันอยู่นะครับกี่เดือนแล้วครับอาจารย์แปดเดือนแล้วนะครับเดือนหน้าเราก็จะได้มีสมาชิกเพิ่ม อ, อีกคนหนึ่งอาจารย์เชิญทางนี้นี่โลกเราเหมือนคันของใครคันของใครครับคันของมัรดาผู้ชายผู้หญิงไอ้ขอบคุณพระเจ้าได้หึงอย่างนี้เลโลกเราเหมือนคันของใครคันของมารดาฟังดีๆนะครับแล้วกูเห็นชัดอาจารย์วันครับรักลูกสาวไหมรักค่ะเห็นเขาอย่างเห็นเขายัง ไดดู้ตอนไม่อยังเห็นยังเห็นยังเนีนยยังไม่เห็นด้วยตาเห็นดูในเครื่องยังไม่เห็นใช่ไหมครับแต่รักเขาไหมรักเขารู้ไหมว่ามีคนรักเขาน่าจะรู้ไม่รู้พี่เรียนทุกวันเด็กเดียยังไม่มีเห็นมีผลในการวิเคราะห์ลูกรู้ไหมครับมีคนรักเขาอยู่ยังเขารู้ไหมว่ามีคนให้กําเนิดเขา น่าจะยังคเขารูบไหมว่าสิ่งที่ทาให้ เ, าเ้าเป็นเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างมาจากไหนเขารู้ไหมรู้ยังไม่รู้ไม่รู้เลยเห็นไหมเขาไม่รู้อะไรเลยสิ่งที่ชื่อเดี่ท้องนี้แต่แม่ยังรักไหมรักค่ะแล้วแม่คาดหวังอย่างเดียวคาดหวังเดียวคาดหวังอะไรก็ให้เขาเป็นเด็กดีออให้เขา <c oughs> ขออกโผ่ไปซะเยอะเลยแม่เดี๋คาดหวังเดียวให้ลูกทำไมครับข้อดออกมา เพราะแม่รู้ดีว่าถ้าลูกไม่คลอดออกมาอันตรายแม่อยากให้ลูกคลอดออกมาเพื่อแม่จะอุ้มมาที่มือแล้วบอกไงลูกนี่แม่นะเป็นผู้กําเนิดเจ้าเป็นผู้รักเจ้าเป็นผู้รอคอยเจ้าออกมาเพื่อแม่จะบอกว่าลูกไม่ได้เกิดเองแม่เป็นผู้ให้ชีวิตจริงไม่จริงโลกเราเหมือนท้องแม่ไหมโลกเราเหมือนท้องแม่ไหมเหมือนมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้เหมือนเด็กที่อยู่ในท้องแม่เขาเคยรู้ไหมอาหารการกินลมหายใจที่เขาหายใจทุกวันมาจากไหน เขาไม่รู้เลยอะไรที่ดาวพิฆเนศเติบโตรั่วมนุษย์เป็นผู้สร้างต้นไม้เหรอพี่เขาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มาจากไหนที่ดาวพิฆเนเติบโตแล้วเขายิ่งกว่านั้นเขาไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้กําเนิดเขาและเขายิ่งไม่รู้เลยว่ามีผู้นึงรักเขาอยู่จริงไม่จริงใครล่ะครับรักเขาอยู่พระเจ้าพระเจ้าเป็นเหมือนแม่ที่รักลูกในท้องจริงไหมและพงคาดหบังเดียวเหมือนกับคุณแม่วันเลยคาดหวังทำไมพระเจ้าพระเจ้าคาดหวังอะไรเออให้เราคลอดออกมา บางเกิดใหม่ไงเพื่อให้บอกว่าลูกไม่ได้เกิดขึ้นเองนะแม่ไม่ใช่แม่พระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดเราเป็นผู้ให้กำเนิดเราเป็นผู้ให้กำเนิดเจ้าเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับใครกับพระองค์แต่สิ่งที่ทําให้เราคลอดออกมาไม่ได้คืออะไรความผิดบาปแังนั้นพระเจ้าจึงส่งใครมาพระเอสคริตเข้ามาขอบคุณครับอาจารย์วันครับขอบคุณมากครับเดินดีๆนะอาจารย์แปเดือนล ะ, นะพี่น้องครับดังนั้นพระเจ้าเป็นเหมือนคุณแม่ไหมเป็นเหมือนไม่เหมือนเปลี่นไม้เหมือน มือนไม่เหมือนพูดตามผมครับพระคัมภีร์ให้หลักการว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูิษเราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าเป็นทั้งพ่อเป็นทั้ทงแม่จริงไหมจริงจริงไหมจริงจริงจริ ง, รงเอาช่วยอ่านหน่อยครับ พระเจ้าพูดชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับผู้ที่เชื่อบางทีก็เหมือนพระบิดากับลูกพระบิดากับบุตรบางทีก็เหมือนคุณแม่กับลูกอันนี้ใช่คุณแม่กับลูกไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คุณรู้นะดังพุทธิบ ร, รรดาของตนเราลมเราจะเราลมเจ้าเช่นนั้นและเจ้าจะรับเราเราลมในเย ร, รูซาเล็มขอผมพูดบริบทนิดหนึ่งตีพระบีต้องดูบริบทอิสราเอลนะในสมัยของอิสยาห์นะ สุดๆลืมพระคุณไม่ฟังพระวนจะนะพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าทําแต่พิธีกรรมเบิกนอกแต่พระเจ้าก็ยังทําไมยังทรงรับและเรียกร้องให้อิสราเอลกลับมาและพมบอกว่าถ้าเขากลับมานะผลที่เขารับจากความผิดบาปของาพระเจ้าจะทรงแล้หลุมเขาผมอ่านตรงนี้นะแล้วคิดลึกซึ้งนะคุณเจนความรักของพระเจ้าเหมือนความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่ออะไรต่อลูก แต่ผู้ตามผมครับเวลาพูดถึงการนำการเลี้ยงพระองค์มักจะบอกว่าพระองคือพระบิดาเวลาพูดถึงความเข้าใจความสัมพันธ์ลึกซึ้งพระองค์มักจะเทียบพองค์เป็นแม่จริงไม่จริงคือพ่อกับแม่เนี่ยบางทีมันก็ออกคนละอย่างอ่ะคือพ่อเป็นคนที่ผู้นำเงี้ยใช่ไหมเลี้ยงดูหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่พ่อก็ไม่ค่อยทํำไม สัมพันธ์กับลู ก, ลกชายลูกสาวลูกซึ่งเท่ากับคุณแม่จริงไหมจริงพี่น้องที่นี่ใครอ่านภาษาจีนเป็นครับใครพูดจีนเป็นขอโทษยกมือขึ้นใครพูดจีนเป็นขอบคุณครับผมไม่ชอบเพลงจีนอยู่เพลงหนึ่งไม่ชอบมากเลยแต่ก็ต้องทนร้องทุกปีเฮผมว่าคนแต่งเพลงนี้นั้นลำเอียงเขาร้องเพลงนี้ในวันแม่ครับผมร้องให้ฟังซือสัตยยม้ามาเฮา โยมาที yo, ่ให้จื ye, ่อเสียงเกเปารู้เรื่องไหมเอาใหม่ซื่อสัตจือ่อโยมามาเฮาแปลให้ฟังโลกนี้มีแต่คุณแม่เท่านั้นที่ดีฟังแล้วคุณพ่อนี้ตึงหิดตึงิดเลยนะครับโลกนี้มีแต่คุณแม่เท่านั้นที่ดีและพ่อมันล่ะลแต่พอผมคิดนึกซึ้งเออใช่ เพราะว่าพระเจ้าสร้างผู้ชายเนี่ยให้เป็นผู้นําเหมือนพระเจ้าเป็นผู้นําผู้เลี้ยงดูแต่เวลาพูดถึงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งเนี่ยมันต้องใช้อารมณ์แบบคุณอะไรครับคุณแม่เพราะคุณแม่จะเข้าใจมากกว่าเวลาพระเจ้าสร้างผู้ชายผู้หญิงนะพ่อแม่ต่างกันอ่ะไม่เชื่อตอนที่คุณคลอดลูกนะคุณผู้หญิงคุณได้ยินเสียงลูกร้องนะคุณแม่เนี่ยอัศาจรรย์สามารถแบ่งได้เลยว่าเสียงร้องนี่คือเสียงร้องอะไรหิวนมไม่สบายตัว ปวดท้องกลัวเหงาอ้อนคุณแม่แบ่งได้หมดผมยังงงกับภรรยาผมเลยแบ่งได้ยังไงวะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเวลาฟังเสียงร้องของเด็กคารกลูกตัวเองนะเราฟังเป็นเสียงเดียวรําคาญเมื่อไหร่จะหยุดผ่าแผกปากร้องแต่แม่ไม่ใช่แม่แบ่งอะไรครับชัดเจนมากๆว่าคือเสียงอะไรเสียงอะไรเสียอะไรแบ่งชัดเจนแล้วเวลามีปัญหาชีวิต รู้สึกแม่เนี่ยให้คำปรึกษาดีกว่าพ่อจริงไหมจริงยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้วันหนึง่งไม่รู้จะพูดดีไหมเอาพูดแล้วกันวันนึงลูกสาวผมได้เลิกกับเพื่อนสนิทกันบางคนเพราะว่าเขาไม่เป็นคริเสเตียนก็ตัดใจพอตัดใจเสร็จมันก็ร้องไห้แม่ก็เข้าไปปอบในห้องนอนผมทําหน้าที่พ่อผมก็เดินเข้าไปด้วยยังไม่ทันพูดอะไร แค่ก้าวไปในห้องลูกสาวภรรยาชี้เลยออกไปผู้หญิงก็จะคุยกันออกไปอ๋อจะพูดไม่ต้องพูดหรือไปเลยไปเลยอะไรว้าเขาเขาปอบใจในห้องพ่ออยากหนุนใจลูกสาวก็หนุนใจไม่ได้สุดท้ายใช้วิธีเล่น Facebook กับลูกสาวลูกสาวอยู่หลังบ้านผมอยู่หน้าบ้านต้องคุยกันทาง Facebook เพราะว่าแม่ไม่ให้เขาไปปลอบใจลูกเอย๋ยจะร้องให้ทําไมไม่เป็นไรหรอกเขาไม่เป็นคริเียน แ, แล้วก็ตัดซะนะเดีย๋ยวพระเจ้าจัดเตรียมคนที่ดีมันก็ขอบคุณครับป้ป๊าแล้วผมก็หนุนใจนี้อีกลูกเอย๋ยอย่างวิธีผมหนุในใจเมื่อวานเนี่ยลูกเอย๋ยเราเป็นคนนะลูกเราเป็นค น, เ ร, เ, น, คนเราไม่ใช่ควายลูกเราเป็นคนไม่มีเขาเราก็อยู่ได้อย่าทาตัวเป็นควายลูกทําไมต้องมีเขาอยู่ทุกวันต้องมีเขาทุกวันล่ะลูกไม่มีเขาเราก็ทําไม อูได้เพราะเราเป็นคนอไม่เข้าใจเหรอบางคนนะทําตัวเป็นอะไรควายต้องมีเขาต้องมีเขาต้องมีเขาไม่เอาเราเป็นคนไม่มีเขาเราก็อยู่ได้มันก็เหว่ละขอบคุณแบบปล า, ปาแล้วมันก็ดีขึ้นเห็นไหมให้ผมปลอบใจแต่แรกก็ดีแล้ว <laughs> พี่น้องความสมัครหนึงน่งซึ้งเนี่ยของพระเจ้าเหมือนพ่อแม่กับอะไรครับเหมือนพ่อแม่กับลูกแล้วยิ่งกว่านั้นอีกชัดเดินเลยลูกๆทั้งหลายฟังดีๆลูกๆกณฟังดีๆนะ ลูกที่มีแม่ก็ฟังไว้สอนฟังดีๆนะครับพ่อแม่รักเรามากที่สุดรักลูกมากที่สุดคุณอยากรู้ว่าคนไหนรักคุณมากที่สุดนะมีหลักเช็คอยู่สามสี่อย่างหนึ่งคนไหนรักคุณมากที่สุดนะจะเป็นอย่างนี้เมื่อคุณทําอะไรไม่ดีเมื่อคุณทไไําอะไรไม่ถูกต้องท่านเสียใจมากที่สุดนี่คือคนที่ทําไมรักคุณมากที่สุดเวลาคุณทำอะไรไม่ดีใครเสียใจมากที่สุดละ่ะพ่อแม่ใช่ไม่ใช่ อย่างที่สองคุณอยากรู้คนไหนรักคุณมากที่สุดง่ายมากเวลาคุณไม่มีใครแล้วพบกับบริสุท์ปัญหาถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวท่านยังอยู่เคียงข้างคุณนี่คือคนที่ทำไมรักคุณมากที่สุดคุณจะเจอปัญหาว่าไรท่านยังยืนอยู่เคียงข้างคุณนี่คือคนที่รักคุณมากที่สุดใครล่ะครับอยู่เคียงข้างคุณพ่อแม่อย่างที่สชัดเจนมากๆคุณอยากรู้คนไหนนะรักคุณมากที่สุดง่ายมาก ถึงแม้คุณจะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ความรักของท่านที่มีต่อคุณไม่เคยน้อยลงเลยกับเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นความผิดของคุณไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักของท่านที่มีต่อคุณเลยนี่คือคนที่รักคุณมากที่สุดใครล่ะครับพ่อแม่และสุดท้ายใครมากับลูกบ้างครับลูกอยู่ไหนครับลูกอยู่ไหนครับช่วยลูกสาวลูกชายครับลูกสาวุ่นขึ้นหน่อยลูก น้องหวานมานี่แล้วน้องหวานวิ่งแล้วลูกน้องหวานมาทางไกลๆลูกหวานมันนี่ลูกหวานหวานมาแล้วหวานแล้วหวานวิ่งวิหวานลูกวิ่งวิ่วิ่งววิ่งวิ่่วิ่งวินวิ่งแค่ไหะหวานอยู่ปไหนลูกหวานอยู่ปสี่คุณแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรชมพู่คุณแม่ชมพู่ผมถามนิดนึงนะคุณแม่ถามจริงตอบจริงนะนะสมมุติว่าเรื่องสมมุตินะครับ สมมุติว่าลูกสาวหวานเนี่ยเกิดโรครายแรงเกิดขึ้นในชีวิตต้องตายมีทางเดียวที่จะช่วยชดลูกได้คุณหมอบอกต้องเอาชุดคุณแม่แลกยอมแลกไห ม, มดังๆครับได้ยินเต็มสองลูกหูไหมลูกได้ยินไหมลูกตายอย่าลืมไปกอดแม่เลยนะคนไหนที่ยอมตายแทนคุณนะ นี่คือคนที่ทํำไมครับรักคุณมากที่สุดพ่อแ ม, ม่ใช่ไม่ใช่พอผมพูดอย่างนี้เสร็จคุณก็จะเริ่มเข้าใจแล้วทําไมพระเจ้ามักจะเทียบความรักพรงเหมือนความรักของพ่อกับรแม่เพระองคเป็นอย่างนั้นรักคุณไม่ว่าคุณยังไงพวกก็ยังรักคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงพมเป็นเหมือนคุณแม่คุณพ่อที่รักเราแต่คุณแม่ก็จะลึกซึ้งกว่าจริงไม่จริงจริงตอนนี้มาดูนี้ฮะขอพี่น้องช่วยอ่านหน่อยครับ โอ้โหข้างหลังนี่ไม่เห็นจริงๆใช่ไหมครับเห็นช่วยอ่านหน่อยครับหนึ่งสองสพี่น้องจำไว้ตลอดชีวิตอิสยาบทที่49ิข้อห0 ทำไาห4950 49 50แล้วพอช่อง น, นี้เสร็จสี่้าหคุณก็จำา495ใช่ไหมจำอย่างนี้หลักการจะง่ายง่ายอิสยาบทที่49กข้อ15กับข้อที่16พระบีว่าไงครับผู้หญิงจะลืมบุตรที่ทำไมาครับยังกินนมของนางและจะไม่เมตตาบุตรจากคันของนางได้หรือถ้าพี่น้องดูนะครับพระธรรมอิสยาตรงนี้ผู้เขียนอิสยาเนี่ยถือว่าสุดยอดถือว่าเป็นนักประพันธ์เลย พระธรรมอิสยาถือว่าเป็นหนังสือ66เล่มฉบับย่อของพระคัมภีร์เลย66เล่มมี66บทอิสยาได้บอกว่าผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางและจะไม่มเด้ตาบุตรของนางได้หรือครูเห็นว่ามีสองประโยคประโยคแรกคือเลยครับผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางพี่น้องครับผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมนางหมายถึงว่าลูกยังทําะไรอยู่ยังทําไรอยู่ยังกินนมอยู่หมายถึงไหมลูกยังเล็กอยู่ ไม่มีแม่คนไหนนะที่จะลืมลูกที่กําลังดื่มอะไรครับน้ํานมจาก อ, อกของเธอเข้าใจหรือเปล่าครับน้ํานมจาก อ, อกอเธอแม่จะจดจําถึงเวลาแม่ต้องเลี้ยงดูแม่ต้องเข้าไปชุ้มชูแม่ต้องเข้าไปทําไมครับเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรหลายอย่างแม่จะไม่มวลืมลูกที่ยังเล็กที่ยังดูดอะไรอยู่ดูดน้ํานมของนางอยู่แล้วประโยชน์มาและจะไม่เมตตาบุตรจากข้างนางได้หรือหมายถึงอะไรแม้ลูกคนนี้นะเลิกดื่มนมแล้วแต่แม่ก็ยังทําไม ยังดูแลอยู่เสมอถึงแม่ไม่เหมือนเดิมอ้อมในอกแต่แม่ก็ยังทําไมครับดูแลเพราะว่าคุณฟังประโยคนี้ดีเพราะว่ า, ออน า, วาในสายตาของคุณพ่อคุณแม่ลูกเป็นเด็กเสมอจริงไม่จริงผมลูกสาวยีสบแปแล้วจะสาสิบยังแกวอยู่แล้วแต่สายตาของพ่อแม่ลูกก็ยังเป็นอะไรเป็นเด็กผมนะยิ่งไข้คนตรงนี้ลึกซึ้งนะยิ่งเข้าใจเลยพี่น้องพูดตามผม พระเจ้าเขียนอย่างนี้พูดดีครับพระเจ้าเปิดเผยเช่นนี้พเพเื่อจะเตือนสติคิดเสียนทุกคนคนขององค์ทุกคนให้ทราบว่าประโยคตัว น, นี้สำคัญนะครับให้ทราบว่าต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเราต้องเป็นเด็กเสมออย่าคิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่นะครับต่อหน้าพระเจ้ากับอย่างอื่นกับสังคมคุณเป็นผู้ใหญ่ได้โนพัพบมแต่ระหว่างเรากับพระเจ้าท่าทีเราพระเจ้า คริสเตียนหรือผู้ที่เชื่อจะต้องสำนึกว่าเราเป็นเด็กเสมอทำไมเป็นเด็กคุณสังเกตนะครับตอนนี้น้องหวานอ่ะอายุเท่าไหร่ละสิบขวบคุณสังเกตน้องหวานไม่ต้องสังเกตสังเกตเด็กเล็กก็ได้ตอนที่เป็นเด็กเล็กนะเวลามีอะไรมันวิ่งไปหาใครฉไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เด็กเล็กมีอะไรนะมันวิ่งหาแม่วิ่งหาแม่วิ่งหาแม่วิ่งหาแม่ แม่ไปไหนไปเรือยๆมันติดแม่ใช่ไม่ใช่แต่พอโตขึ้นล่ะลูกลูกถ้ามันโตแล้วนะมันแมวแม่มันแล้วผมบอกกวามันนั่งกับแม่ไหมมันนั่งนูนพี่น้อง ต่อหน้าคนต่อหน้าสังคมอื่นคุณโตเผู้ใหญ่ได้แต่พระองค์เปิดเผยนี้ว่าต่อหน้าพระพุทเจ้าเราต้องเป็นอะไรเป็นเด็กเสมอถ้าคุณคิดว่าคุณโตเมื่อไหร่นะก็คิดว่าไม่ต้องการพระเจ้าแล้ว I can control my cell เข้าใจหรือเปล่าครับดังนั้นพระเจ้าเวลาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคนขององ์กับพระเจ้านะพระองค์ต้องการเทียบเราเป็นเหมือนอะไรไเป็นเหมือนเด็กจริงๆแล้วเป็นเหมือนเด็กเสมอเลย พ่ อ, อยังรู้จักของดีกับลูกยิ่งว่า น, นั้นสั่เท่าไหร่พระบิดาของเราจะไม่ให้สิ่งดีกับเราเหรอเมื่อพ่อรับเราเป็นลูกครับพ่อองค์จะทําำไมเราตีสอนตีสอนเห็น ไ, ไหมไม่มีพ่อคนไหนไม่ตีสอนลูกมันคือลักษณะของพ่อแม่กับลูกที่ยังทำมาอยู่ยังเด็กอยู่คุณจำไว้นะครับพระเจ้ากําลังเปิดเผยงี้เพื่อว่าเรากับพระเจ้าจะต้องเป็นอะไรอยู่เสมอเรากับพระเจ้าเจ้องเราต้องสมนึกว่าเราเป็นอะไรอยู่เสมอเป็นเด็กอยู่เสมออยากคิดว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่ คุณเติบโตผู้ใหญ่เมื่อไหอไร่นะอันตรายเกิดขึ้นในตัวคุณแล้วผมเห็นทิฟฟีเซียนจํานวนมากนะแปลกนะทําไมมันกลับกันต่อหน้าความชั่วนะเป็นเด็กเป็นเด็กต่อหน้าสังคมเป็นเด็กเป็นเด็กแต่กับพระเจ้าคิดว่าตัวเองทำไมใหญ่แล้ว control my cell ได้ละกลับกันพี่น้องระวังดีดีต่อหน้าสังคมเราต้องเป็นผู้ใหญ่ไฟล์มยานต้องเป็นผู้ใหญ่คิดแบบผู้ใหญ่เข้าใจหรือเปล่าครับแต่ต่อกับพระเจ้าเราจะต้องเป็นเป็น เด็กอยู่เสมอผมให้คุณในดูคนหนึ่งชัดมากชัดมากคนนี้ดูนะครับใครครับโมเสสเนี่ยชีวิตแบ่งง่ายมาก40ปีแรก40ปีสองปีสามโมเสสเนี่ย40ปีแรกใช้คำนี้พี่น้องที่อ่านจีนได้ชื่อาอนไหนครับ เอาอนานด้มครับเลี่ยวผู้ชีเลี่ยวผู้ชีเลี้ยวผู้ชีเนี่ยแปลว่า I am everything ค่าแน่ครายิ่งใหญ่นี่คือโมเสสเมื่อ40ปีที่แล้วถามว่าโมเสสรักพระเจ้าไหมลักถามว่าโมเสจะทุ่มงานเพื่อเจ้าไหมทุ่มถามว่าโมเสช่วยคนของพระเจ้าไหมช่วยโมเสช่วยด้วยแต่โมเสคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากต่อหน้าพระพักของใครของพระเจ้าทํำไมยิ่งใหญ่ เขาดูตัวเองแล้วเห็นว่าตัวเองทําไมครับยิ่งใหญ่จริงๆผมถามพี่น้องหน่อยโมเสสหุ่นเป็นยังไงคุณโมเสสเป็นไงรู้พี่รู้พี่ไม่รู้ได้ไงรู้โมเสสหุ่นเป็นยังไงเอางี้คุณเคยเห็นอาโนชวาสเนเกอร์ไหมคุณเคยเลมโบไหมโมเสสหุ่นประมาณนั้นเลยคุณแกทําไมครับคุณท่านทาไมครับบึ๊กทําไมรู้ว่าหุ่นโมเสสบึ๊กดู คนอียิปต์เวลาให้คนอิสราเอลเป็นทาสนะคนอียิปต์ให้อิสราเอลกิน enfin <oops. ment ira> <me> อะไรทุกวันเอาพี่ตายนี่นีเท็ดดี้คิสเซียนฟังเปล่าคนอียิปต์ให้อิสราเอลกินอะไรทุกวันแรงงานอียิปต์กินอะไรทุกวันแรงงานอิสราเอลกินอะไรทุกวันกินข้าวปั้นโอ้พี่ตอนที่อิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วพระเจ้าเลี้ยงดูเขาด้วยมาอะไร มานาทุกวันเขาพูดประโยคหนึ่งพูดว่าอะไรเมื่อเขากินอ่ะเขาพูดว่าอะไรครับเราเบื่ออาหารไร้ค่านี้เราเบื่อมานาแล้วให้เรากลับไปที่อียิปไปกินอะไรเนื้อในหม้อต้มแล้วตายอยู่ข้างหม้อที่มีเนื้อต้มอยู่ข้างในดีกว่าอียิปเพื่อกินอะไรคนอียิปเพื่อกินอะไรมานาพี่ฟังไปถึงไหนอียิปเพื่อกินมานาอียิปเพื่อกินอะไรเนื้อ มันให้แรงงานทาสของอิสราเอลกินเนื้อวัวมันรักเหรอไม่มันรู้ว่าถ้ากินเนื้อ ว, วัวเข้าไปเนื้อวัวจะกลายเป็นไรเ น, เนื้อเองแล้วเนื้อเองจะได้ทําไมมาทํางานให้ข้าดังนั้นแรงงานของอิสราเอลเนี่ยกินเนื้อวัวทุกวันและทำงานยุคของนนทุกวันหุ่นต้องเป็นยังไงทาสเป็นยังไงครับบึกและผู้คุมอ่ะเอาใจจ่อยไปได้หรือครับ <vue> ได้ไหมครับเนี่ยเอาหุ่นแบบน้องกิจไปคุมได้ยังไง <greasy> ไม่ได้อะโดนไอ้แรงงานกระทืบตายอ่ะถ้ากแรงงานมันบึกอย่างงี้คนคุมนึกงทำไมกูมันต้องบึกกว่าจริงไหมจริงบึกกว่าแล้วคุณดูพระกระหมีบันทึกว่าอะไรโมเสสฆ่าผู้คุมด้วยมือเปล่าแสดงว่าโมเสสทำไมดังนั้นโมเสสว่าไงถ้าจะช่วยกู้คนอิสราเอลนะนี่ข้านี่ะใหญ่ I am big ห我了不起了不起了่起 ว, ว, ว, ว, ว่าอะไรข้าแน่ดังนั้น40ปีแรกของโมเสสเหล่าอะไรเหลิ่บ不起แต่พระเจ้าไงโมเสสเองเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมอ่าจัดการเลยจัดการเลยเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่สามารถจัดการทุกอย่างด้วยวิธีของตัวเองได้พระ อ, องค์ปล่อยเลยปล่อยเลยสุดท้ายเละไหมเละไมเละเล ะ, เละตุ่มเป๊ะจนต้องอยู่ถิ่นทีน่รามีเดียน40ปีเพราะ40ปีเป็นยังไงอ่านนะครับ อ่านดิครับเหลียวเหียวดังๆครับ40ปีแรกของโมเสสคือ40ปีต่อมาเป็นอย่างนี้ครับเอาอ่านดิครับไอ้ภาษาจังตัวนี้ตลกเพราะเหลียวผู้ชี่เนี่ยแปลว่า I am everything เพราะฉี่ผู้เหลียวกับกันมันแปลว่า I am nothing I am ลวยถ้วย ไอแอมบอมีไก <laughs> อย่าคิดว่าตนฉลาดแต่จงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายเมื่อคนหนึ่งคิดว่าเขาเองใหญ่ไอแคนเขาโทมาเซลดูแลตัวเองได้เขาไม่ใช่เด็กต่อหน้าพระพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ต้องการใครอีกต่อไปพระเจ้าอีกต่อไปพี่น้องพระกัมพีเปิดเผยชัดเจนต่อหน้าสังคมต่อหน้าโลกใบนี้คุณต้องเป็นผู้ใหญ่ไฟล์านแต่ต่อหน้าพระพ่อพระเจ้าท่านจะต้องเป็นะไรเสมอ เป็นเด็กจุดเสมออย่าคิดว่าตัวเองแน่เพราะถ้าคุณแน่เมื่อไรคุณจะออกจากการคอนโทรคุ้มครองของใครของพระเจ้าเราเป็นเด็กอ้อนพระองค์บ่อยๆนะพระองค์จะฆ่าบบ ป, ไปนี่แต่ข้างนอกอย่าเป็นอย่างนี้นะครับพี่นา้าอย่านะครับบางคนเนี่ยผมเทศนาเสร็จไม่รู้ปัญญาอ่อนหรือคิดไม่ทันผมพูดอย่างนี้เหตุฉะนั้นอย่าไล่เด็กๆ เ, เลยแผ่นดินสวรรค์เป็นของเด็กดก็เกเหล่านี้แหละถ้าใครอยากเข้าสวรรค์ต้องเป็นอะไร เด็กเล็กๆพ่อฟังเสร็จอาทิตย์ต่อมามีคนแก่คนนึงอ่ะใส่ผ้ากันเปื้อนเด็กมาถืออย่างเงี้ยเอามาเซล์เอามาเซลลผมก็ถามแต่งตัวนี้ทําไมเอ้าอาจารย์บอกว่าเข้าสอนต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆโอ้แต่งชุดเด็กมาเลยเล่นอย่างนี้ก็สนุกสิครับพี่อย่างงี้อาทิตย์หน้าวัฒนาก็แต่งมาเลยนะครับชุดเบบี้บอลใส่ผ้าอะไร น, นะแพมเพิร์ดเดินมาเลยนะครับ ไม่ใช่ต่อหน้าโลกแบ น, นี้ต่อหน้าสังคมเราต้องเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเลยครับวิญญาณแต่นอกต่อหน้าพระพักร์พระเจ้าเราต้องเป็นอะไรครับเด็กอยู่เสมอต้องเป็นเด็กพระเจ้าทําไมดูแลเราเหมือนเด็กทารกถึงแม้เราโตแล้วเราก็ยังเป็นอะไรครับเด็กเพราะเขายังเมตตาเราอยู่เข้าใจไหมดูแลเราตลอดเห็นไหมเหมือนคุณแม่ที่ไม่เคยลืมลูกที่กําลังดื่มนมหรือลูกโตแล้วแม่ก็ยังทําไมยังดูแลอย่างต่อเนื่องพระเจ้าพูดอย่างนี้แล้วพี่น้องครับ ผมต้องพูดต่อไปครับต้องขอโทษคนที่เป็นคุณแม่ด้วยท่านที่เป็นคุณแม่ด้วยพระคัาพระเจ้าพูดตรงไปรงมาว่าพระเจ้าดีกว่าแม่ช่วยอ่านหน่อยครับเมื่อกี้บอกว่าคุณแม่จะลืมลูกที่ยังดื่มนมหรือจะไม่เมตตาจากบุตรจากคันนางๆได้หรือใช่ไม่ใช่ประโยคต่อมาไล่มันนาทีเลยบอกว่าครับถึงแม้ว่าคนเหล่านี้คือแม่เหล่านี้ยังทาไม คำถามมาแล้วเฮแม่ลืมล <Đ ồng S 1> <ứ> ูกได้เหรอแม่ที่กลังให้ลูกดื่มนมเนี่ยแม่ลืมลูกได้ไหมเคยลืมลูกไหมแม่อะไรเนี่ยชื่อละลืมแม่แม่อะไรชื่อแม่ชมพู่เคยลืมลูกไหมเคยไม่เคยตอนลูกดื่มนมเคยไม่เคยลืมลูกแม่ชมพู่ดังๆครับตอนลูกดื่มนมเคยลืมลูกไหมครับ เมื่อแม่ชมพู่ว่าดิฉันไม่เคยลืมลูกคุณแม่ชมพูก่กำลังจะบอกว่าพระเจ้าพูดผิดเพราะพระเจ้าบอกไงคนเหล่านี้ยังลืมได้แต่แม่ชมพู่ไม่เคยลืมแต่เพราะว่าลืมลืมอย่าเถียงสิลืมแม่ลืมลูกได้ไหมได้วันหนึง่งแม่ชมพู่พาหวานน้าหวานใช่ไหมไปที่ห้างกาลังดื่ม น, นมอยู่ เดินไปกับคุณพ่อมีคุณพ่อไหมมีคุณพ่อเดินไปอุ้มแม่อุ้มสักเดี๋ยวเดินที่ห้างแม่ชมผู้เห็นเสื้อผ้า ส, ายสวยๆอ่ะพ่อไป <c oughs> ใช่ไม่ใช่ฝากพ่อทำไมอุ้มแล้วแม่ทำไมซื้อของซื้ออะไรลืมลืมอะไรความหมายคืออะไรแม่ละสายตาจากลูกชั่วคราวได้ เพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างพราะทไมมั น, มม น, น ด, ดนึงดูดดึงดูดได้ละสายตาจากใครจากลูกแต่ใจก็ยังผูกพันแต่ช่วงที่โดนไอ้นั้นดึงเนี่ยเขาเรียกว่าลืมคําว่าลืมภาษาจีนใช้คํานี้อ่านเลยครับเนี่ยคานี้อ่านเลยครับว่งออกเสียงครับว่งว่งเนี่ยภาษาจีนแปลว่าลืมคำว่าว่างนะครับกูดูมาจากคํานี้ดูดู คนที่ อ, า review, อ่านภาษาจีนออกก็จะรู้เรื่องนี่อันนี้อ่านว่าว่งว่างมาจากสองคำผสมกันคือคํานี้คํานี้อ่านว่าหวังหวังแปลว่าตายคํานี้สิ้นแปลว่าอะไรครับใจดังนั้นคำว่าลืมก็คือทําไมตายใจแหมหน้าเกียจจังตีไอหวานมันตะโกนว่งเนี่ยหมายถึงว่า บางอย่างมันได้ตายไปจากใจบางอย่างได้ตายจากใจดังนั้นตอนที่แม่ทําไมถูกล้าสายตาด้วยแรงดึดูดอย่างอื่นลูกได้ทําไมครับลูกได้ทําไมหายไปใจากใจชัว่วระยะหนึ่งแยกจากใจอ่ะตายจากใจช่วงแรกหนึ่งและตอนนี้มาดูคำหนึ่งอ่านว่าอะไรครับเนี่ยอ่านครับอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรครับหมงังออกเสียงครับหมงังอ่นานครับหมังหมังนี่แปลว่าอะไร หมังว่าอะไรบิวซีบิวซี่บิวซีคืออะไร b u s เแปลว่าบิวซีวุ่นยาวุ่นวายใช่หติดธุระอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับบิวซีคุณรู้ไหมครับคว่าหมังนี้แปลว่าบิวซีเนี่ยธุระวุ่นวายเนี่ยมันมาจากคานี้ซึ่งแปลว่าหัวใจและคานี้แปลว่าอะไระตาย ก็เพียงแต่เอาเคำว่าใจมาอยู่ข้างหน้าแล้วคำว่าตายข้างหลังมันเป็นวัตถุระวุ่นดังนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายดึงดูดเราจึงทําให้แม่ละสายตาจากใครจากลูกไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นแต่พอทําไมลืมถึงได้ก็กลับมาหาใครเหมือนเดิมแพคคำภี ร, ร์ทึงพูดถูกแม้ว่าคนเหล่านี้ทําไมยังลืมได้แต่เราทําไมเมื่อคนหนึ่งมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าสํานึกว่าเป็นเด็กเสมอ พระเจ้าไม่เคยละสายตาจากเขาเลยไม่มีอะไรดึงดูดพระเจ้าให้ละสายตาไปจากคนของพระองค์ได้เลยชัดไหมชัดไหมพี่น้องดีใจนะเรามีพระเจ้าที่ทา ไ, ไมครับดูแลเราอยู่เสมอไม่ละสายตาจากตาเราจากตัวเราชื่นใจัหมชื่นใจัหมชื่นใจไหมแล้วพี่น้องดูต่อครับช่วยอ่านหน่อยครับ ประโยคเดิมตามมาเลยบอกว่าถึงแม่คุณแม่หรือลูกได้แต่เราไม่เคยลืมหมายถึงว่าสายตาของพระองค์จะมองดูคนขององค์เสมอและตรงนี้ครับดูเถิดเราได้สลักเจ้าไว้บนอะไรครั บ, บคุณรู้ไหมภาษาเดิมก็คือสลักชื่อสลักชื่อไว้ที่ไหนสลักชื่อของเราไว้ที่ไหนสลักชื่ อ, อเราไว้ที่ฝ่ามือของใครคําถามมาแล้วทําไมต้องสลักที่ฝ่ามือเป็นภาพอะไร ขอโทษนะครับผมมีโอกาสไปเทศนาหลายที่หลายโบสถ์ด้วยหลายที่แล้วผมเนี่ยมีปัญหายอย่างนก็คือการจำชื่อคนคือบางคนผมเจอมากปีนึงผมเจอหลายหมื่นคนเลยอะ่ะแล้วก็แนะนำชื่อผมก็จำจำจำก็บางทีก็จำได้บางทีจำไม่ได้แต่บางโบสถ์ที่ผมไปนะบางโบสถ์ที่ผมไปบางโบสถ์อ่ะผมกลัวๆ ว, ว่าเดี๋ยวพี่น้องจะเสียใจถ้าผมจำชื่อเขาไม่ได้ อย่างไอ้บางคนเนี่ยมันเลี้ยงข้าวผมเนี่ยศูนย์อาหาร15บาทผมก็จดชื่อไว้เงี้ยจดชื่อกลัวจะไม่ได้ผมก็ต้องจดไว้เขาจะจดไว้ไหมครับสมมติผมจะเอาวัฒนาเนี่ยผมก็ต้องดูนะว่าไอ้นี่ชื่ อ, อนี่ น, นี่คุณด้วยไอ้แฟนเนี่ยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ผมยังเลือกชื่อมันผิดอยู่เลยอตรงลงนันนัทนัด น, นันเห็นไหมยังจําผิดอยู่เลยขนาดจดแล้วนายังลืมเลยจดจด จ, ดจดเพื่อทําไมครับเวลาไปเจอจะได้ทําไมได้ จำชื่อก็ได้ผมจะรู้สึกว่าถ้ามีคนจําชื่อเราได้เนี่ยเขาจะรู้สึกดีเข้าใจแล้วเป่าครับไม่ใช่เอ๊คุณชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะคุณเคยมีประสบการณ์นี้ไหมคเคยมีประสบการณ์นี้ไหมเวลาคุณเจอคนนี้เดินเข้ามาเดินเข้ามาพอเดินปุ๊บเขายิ้มให้คุณคุณคิดอะไรอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยมันชื่ออะไรวะอันนี้ชื่ออะไรวะจําไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรแต่จําได้อย่างหนึ่งจําได้แม่นเลยจําได้ว่าครั้งหนึ่งเคยจําได้ ทำไมคุณจําชื่อเขาไม่ได้ถ้ามคุณจําชื่อเขาไม่ได้เพราะไม่ได้จดจ่อไงไม่มีความสัมพันธ์ไงไม่ได้ลึกถึงเขาบ่อยเสมอมันจึงทําไมครับหายไปจาก ร, ระบบคุณดังนั้นดังนั้นถ้าไม่อยากลืมให้ทําไมจดชื่อไว้ผมก็จดไงเพื่อจะจําได้ไงคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรวันนี้ถ้าคุณมาแนะนํำชื่อให้ผมนะครั้งหน้าผมมาผมก็ลืมแล้วคุณชื่ออะไรจริงๆ ก็ต้องจดบางทีก็ต้องจดพุทธชัยนี่ชื่อหญิงนะอันนี้ชื่อปุ๊บอันนี้ชื่อพงอันนี้ชื่อศึกษาที่สันติก็จดไม่หมดเพื่อจะทําไมครับมาเจอทั้งถูกว่าคือใครเข้าใจหรือเปล่าครับแต่ปัญหาก็มาแล้วบางทีผมก็จดชื่อไว้ในสมุดแต่พอเจอปุ๊บเฮ้ยชื่ออะไรวะหาก่อนจดไว้เล่นไหนวะคือ <c ười> จำว่าจดได้ละแต่จำไม่ได้ว่าทําไมจดไว้เล่มไหนหน้าไหนหาตายก็หาไม่เจอ วิธีที่สุดที่จะไม่ลืมจดไว้ที่ไหน ท, ที่ไหนก็ฝ่ามือแต่ปัญหาของมนุษย์คืออะไรพอจดฝ่ามือเสร็จเข้าห้องน้ำก็หายคุณเข้าใจตรงนี้ยงังพระเจ้าสลักชื่อของเราไว้ที่ไหนความหมายของพวกก็คือ I Never Forget You ไม่มีมลืมจดเอาไว้ขอเพียงแต่คุณลูกพง ไม่ห่างจากความสัมพ ง, งสำนึกว่าเป็นเด็กต่อพระเจ้าพงษ์จดเชื่อเราไว้ที่ไหนมือเสมอผมมีความสุขมากเป็นสันติสุขที่โลกนี้ให้ไม่ได้รู้ว่าชีวิตของเราอยู่ในฝ่ามือของพระเจ้าพงษ์จดเอาไว้และลึกถึงเราเสมอไม่เคยลืมด้วยยกมาก็เห็นยกมาก็เห็นใช่ไหมใช่เห็นหมดและคุณดูครับกาแพงมือของเจ้าอยู่ต่อหน้าอะไรเราเสมอขออธิบายคานี้คาว่าต่อหน้าเราเสมอเนี่ย ถ้าคุณดูพระคัมภีร์จะมีแง่บวกและแง่ลบถ้าแง่ลบคืออะไรเมื่อคนของพระเจ้าทําบาปคุณทําอะไรไม่ถูกต้องมนุษย์ทําบาปบาปของเขาจะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าทําไมเสมอคือพระเจ้าจะเอาเล่นงานแน่นอนแต่ถ้าคนนึงกลับมาหาพระเจ้าและทําเพื่อพระองค์สิ่งที่เขาทาก็จะอยู่ต่อหน้าพระองค์เสมอเช่นกันความหมายก็คือจะมีผลเป็นนิตินรรมพี่น้องขอเพียงแต่เรากลับมาหาพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้า ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นเหมือนเด็กเล็กพระเจ้าทําไมครับไม่เคยลืมเราไม่ปล่อยเราด้วยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วไอ้แค่คนดับเซลล์จำโมเสสไว้ไ อ, เอ้เหลียวผู้ฉีเดี๋ยวจะฉีผู้เหลียวพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาให้เราเป็นเหมือนเด็กเล็กต่อพระพักร์พระเจ้าเสมอสุดท้ายครับขอใช้อา่านสดีร้อสาเอข้อสองครับ อันนี้ฉบับนี้นะครับป้ากบีฉบับนี้ก็แปลไม่ค่อยถูกเพราะอะไรคุณดูนะครับแต่ข้าพง์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพง์อย่างเด็กที่ทำไมอย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกขอโทษนะครับถามน้องฟ้าเดี๋ยวนี้หลับอยู่้ี่อกคุณแม่ไหมอย่านมยังคุณอย่านมยังแล้วหลับอยู่ที่เด้าอกคุณแม่ไห ม, ม, ม, ม, ไ, หมไม่แสดงว่าคุณทำไมงงเลยครับ คือถ้าเด็กหยานมแล้วก็ไม่ต้องอยู่ที่ อ, อกคุณแม่ในการนอนหลับแล้วเข้าใจหรือเปล่าครับดังนั้นพักพีตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าหยาคุณดูภาษาจีนไม่ได้แปลว่าหยาพักพีตรงนี้แปลงนี้ครับแต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของาอาบงเหมือนเด็กที่อิ่มนมแล้วอิ่มน้ํานมแล้วหลับอยู่ที่ไหน อ, อกแม่ของตนจิตใจของ้าบงก็สงบภายในบงเหมือนอย่างเด็กที่ทําไมอิ่มนมแล้ว คุณอยากรู้ว่าเวลานี้คุณอยากรู้ว่เวลานี้เราที่นั่งอยู่ที่นี่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นเหมือนเด็กหรือเปล่าหรือเป็นผู้ใหญ่ง่ายมากผมนะเทศนารนเรื่องเสร็จแล้วพี่น้องตวอรวจสอบชีวิตตัวเองนะหรือแม้กระทั่งดูบนธ ร, ร ม, มาสมาณนะผมก็รู้ว่าคนไหนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าคนไหนเป็นผู้ใหญ่คนไหนเป็นเด็กไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายโลกนะต่อหน้าพระเจ้าคนไหนทําท่าทีมันผู้ใหญ่ต่อพระเจ้าแล้วคนไหนทําท่าทีเหมือนเป็นอะไรเด็ก ถ้าเป็นเด็กคุณดูนะเด็กถ้าเป็นเด็กทารกนะต่อพระเจ้าเขาจะมีท่าทีเง้เห็นชัดมากซึ่งเป็นท่าทีที่สุดยอดมากเด็กทารกเวลาหิวนมมันจะทำไมมันจะทำไมครับ อ, อ, อ, อ, อ, อมันจะไม่หยุดร้องต่อเมื่อได้ใช่ไหมใช่ใช่ คริสเตียนจำนวนมากต่อหน้าพระเจ้าไม่เป็นเหมือนเด็กทารกเลยไม่มีความหิวก็หายเลยพระคำพีสอนคุณคุณจะต้องเหมือนเด็กทารกต่อพระเจ้าเสมอต่อหน้าพระเจ้าคุณเป็นเด็กเสมอเวลาต้องการกินพระวจนะพระเจ้าอยากรู้ความจริงพระเจ้าคุณต้องเหมือนเด็กทารก <c oughs> จนกว่าจะได้กินอิ่มถึงจะหยุดร้องนี่คือสภาพของเด็กอะไรครับทารกพี่น้อง ดังนั้นหนุนใจท่านสุดท้ายทุกครั้งที่ทินนวัตการพี่น้องผาเรล้องเพลงน้องฟ้าน้อง น, นันน้องแนนนำล้องเพลงช่วงร้องเพลงผู้ตามครับช่วงร้องเพลงช่วงนี้แหละคือเด็กร้องหานมเพราะฉะนั้นนะครับท่านต้องร้องดังๆเวลาําเพลงนวัตการไม่ใช่มีแต่น้องฟ้าร้องยัชงชื่นชอมนินในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาข้างหลังดูไหมฟ้าทําอะไร ชิเดกช่วงร้ อ, องเพลงเนี่ยมันต้องทําไมเหมือนเด็กที่กาลังอยากทำไมอยากกินเพราะคำพระเจ้าใช่ไหมอยากกินนมแล้วเดินต้องแหกปากร้องอะไรครับอ้วนวอ่ า, อ า, อ า, อาอ ง, องนี้ต้องร้องงีสสฆฆฆ้ตอนเรียนภาษาต้องร้องแล้วพออาจารย์ทีกรอนขึ้นเทศก็คือช่วงอะไรช่วงอะไรช่วงดูดนมนั้นเวลาฟังเทศต้องดูดนมบางคนนะท้องไม่รู้เล็กหรือใหญ่เล็กเกินไปมั้ง ดูดประมาณห้าทีแมว เ, เนอะมันต้องไฟงจบก่อนเคยหลับไม่ใช่กระเพาะน้อยกินนิดเดียวหลับเลยไม่ได้ต้องเยอะๆหลับตอนไหนฟังเทศจบแล้วน้ำนมหมดลวเออก็ไปหลับไม่เป็นไรไม่ใช่ดังฟังเทศน <c oughs> ันพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาให้เป็นเด็กเสมอดีไหมครับดีไหมดีอย่าคิดว่าเต่งใหญ่ต่อหน้าพระเจ้าผมพูดอีกครั้งนึง ต่อหน้าข้างนอกเราต้อเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นเด็กแต่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเราต้องเป็นอะไรอยู่เสมอเป็นเด็กเสมอพึ่งพระเจ้าอย่าห่างจากความสำนึพระเจ้าเหมือนลูกไก่ที่อยู่ปีกแม่ไก่ซบพองอเสมอคุณถึงจะปลอดภัยคุณถึงจะทําไมครับมีชีวิตที่ถูกต้องแต่เมื่อไหร ค, คุณคิดว่าไอแคนคอนโทรไมเซลฉันยิ่งใหญ่แล้วฉันก็รู้วิธีตัวเองได้เอาที่คุณสบายใจปไปเลยครับลองดูแล้วต่อไปดูว่าจะเป็นยังไง จำเรื่องบุตรน้อยลงหายได้ไหมคุณจำเรื่องบุตรน้อยลงหายได้ไหมครับอไอ้บุตรน้อยนั้นมันคิดว่าตัวเองทำไม I can control myself และมันก็ไปใช่ไหมเละไม่เละพูดตามผมครับแกะหายพระองค์หาเหรียญหายพระองค์หาลูกหายเอาใหม่แกะหายผู้เลี้ยงหา เหรียญหายผู้หญิงหาลูกหายอกูฟังดี้ะแก่หายผู้เลี้ยงหาเหีียงหายผู้หญิงหาลูกหายข้อหาไหมพ่อเราอยู่หน้าบ้านเมื่อเธอพ่อพระองค์ทรงรออยู่ตรงนี้ลองให้เต็มที่ไปหลงทางโน้นทางนี้ตามสบาย เมื่อเธอพอ่พอพระองค์ทรงรออยู่ตรงนี้เลียวให้เต็มที่รับรองไม่มีคนไปกวนใจแต่หากมีสักนิดที่เธอถูกคิดขึ้นได้ให้รู้ว่าใจพระองค์รอแบบครอน้ำตาไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอใจคดน้าซื่ออยู่เรื่อยไม่ใช่ไม่เนื่อยที่ต้องรอคอยให้เธอกลับใจแต่ที่ยังเฉยเฉยไม่เอ่ยไม่พูดอะไร พ่อรู้แก่ใจ ย, ยังไงเธอก็ไม่กลับใจอยู่ดีเนี่ยประมาณนี้แหละไปฟังเอาเองนะบ้านผมอยู่ที่นั่นพี่น้องครับต่อหน้าคนอื่นเราเป็นผู้ใหญ่แต่ต่อหน้าพระเจ้าเราต้องเป็นอะไรครับเด็กอยู่เสมออย่าลองของเชื่อผมนะครับกลับมาหาพระเจ้าแล้วเป็นเหมือนเด็กทารกต่อพระเจ้าแล้วชีวิตเราจะมีสันติสุขที่แท้จริงได้รับการคุ้มครองเพราะองค์ไม่เคยละสายตาจากคนองค์เลยพระองค์พาดพงไม่เคยสั้นพกักการพงไม่เคยตึงตาพงไม่เคยบอด แต่มาอยู่ที่เราเนี่ยไม่ยอมให้พงทําไมปกป้องดูแลเพชรศิษพูดกับเยซูเรลมั้ยไงโอ้เราอยากปกคุมเจ้าเหมือนอะไรครับแม่ไก่ปกลูกไก่เนาะแต่ท่านทําไมแต่ท่านทําไมไม่ยอมท่านคิดว่าท่านใหญ่แล้วไงพี่น้องครับยอมนะครับเราเป็นเด็กตอนนั้นพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเราอยู่ภายใต้ลมปีกของคุณพระเจ้าเราจะมีสันติสุขอย่างที่เคยเคยมื่อก่อนขอพระคำพระเจ้าในวันนี้นะครับหนุนใจเราจําไว้ต่อห น, น้าพระเจ้าเราเป็นเด็กเสมอ ต้องใจนิฐานก็ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าสรรเสริญขอบคุณสลับพระคัมภี์ในบ่าย น, นี้ที่มาถึงยังคาบสงหลายขอบคุณสลับพระคัมภี์ที่เตือนสติแล้วว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเราเป็นเด็กเสมอพงยิ่งใหญ่เราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้ต่อหน้าพระพุทธอค์เลยขอพระเจ้าเมตตาให้เราที่จะสํานึกว่าเราต้องพึ่งพระองค์ตลอดวันเวลาคือชีวิตที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่มีสักเสี้ยววินาทีเดียวที่ไม่ต้องพึ่งพองค์ จะต้องพึ่งพงต่อเวลาขอพระเจ้าเมตตาให้สิ่งเหล่านี้ก็ฝังลึกในชุดพี่น้องให้พี่น้องเข้าใจและเข้มแข็งขึ้นกลับมาอยู่ในค่ายตายการครอบของขอบพงด้วยกลับฟุ้นาองค์เป็นศรัา